พวกภิกษุณีฉับพักคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพัคขีออกปากขอน้ําพึ่งมาฉันในปาติเทศนียะสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐานละ